เช้ามีเวลาน้อยก็รีบทางานนะครับเพราะว่าเราจะทำความเ้าใจเรื่องการปฏิบัติถึงวันที่สิบเท่านั้นนะหลังวันที่สิบเอ็ดปถึงวันที่ยี่สิบก็เป็นภาคปฏิบัติจี่เอ็เป็นจนไปเรื่องภาคในการทางปฏิบัติและทาง ประเมินผลและสัมน า, าไปเรื่อยๆเพราะนั้นปฏิบัติเข้มจริงๆก็คือวันที่สิบอ็ดถึงยี่สิบนะในช่วงที่หนึ่งถึงสิบนี้ผมจะพยายามทำความเข้าใจทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวเรื่องปฏิบัติครับเราจะทำเป็นขั้นตอนให้ชัดเจนเพราะนั้นในใจละช่วงที่นำเสนออะไรก็ขอให้ศึกษานะครับมาถือว่ามาเข้าเรียนมหาลัยชีวิตลงกันใสุระยะสั้น หนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเราตั้งใจศึกษาจริงๆเราก็อาจจะได้รับประโยชน์เกิความเข้มแข็งร่างกายและจิตใจเมื่อร่างกายจิตใจเข้มแข็งแล้วการทําอสวะกิเลสสังโยชน์ต่างๆมันก็ง่ายขึ้นไม่มีเวทนาไม่มีทุกข์ก็เวทนาลบกกวนมากขึ้นไปถ้าร่างกายเราอ่อนแอจิตใจเราอ่อนแอทุกเวทนาก็ลบกกวนมากการปฏิบัติก็เนื่องช้าและมีอุปสรรค เพราะณนาวันในโลกนี้จะเต็มไปได้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคมลพิษต่างๆนะที่จะทำให้เราอ่อนแอลงท้งร่างกายใจมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยมากขึ้นอายุสั้นมากขึ้นทีถ้าเรามาศึกษาและปฏิบัติทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นคำสอนของพุทธสา l แล้วนี่ถ้าเรายังไม่ได้ประโยชน์ที่ควรก็ถือว่าเราไม่ได้ทหน้าที่ของพุทธบุตรที่ดีครับ เพราะนันสิ่งที่ผมนําเสนอก็ถือว่าได้พิสูจน์ได้ทาการพิสูจน์มาไม่น้อยกว่าสามสิบปีก็คิดว่าถ้ามีการผิดพลาดก็น้อยมากนะครับเพราะผมเอาตัวเองเป็นประกันคือหลังจากเข้าใจหลักการนี้มาแล้วนี่ก็ถือว่าทุกลดลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งว่ารู้สึกว่ามันไม่ทุกเลยแล้วถึงได้มาทาหน้าที่ตรงนี้นะครับ เมื่อวานผมได้นําเสนอไปว่าัเช้านี้จะปบทเรียนเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสติในแง่ของสติปัฏฐานและหลายท่านก็ได้ปฏิบัติกันมานานแล้วเข้าใจดีแล้วก็ไม่ตรงลงลึกในรายละเอียดอะไรมากแต่วันนี้จะทําความเข้าใจเรื่องสัมปชัญญะซึ่งเป็นคู่กับสตินะครับเมื่อสติมีส <c oughs> สัมปชัญญะ ก็มีสีเหมือนกันเพราะสติในเปรือเสมือนไฟแช็กหรือไม่ขีดที่เราขีดขึ้นเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรในการกดไฟแช็กไฟฉายหรือไม่ขีดก็ตามเป้าหมายก็เพื่อที่จะไปต่อใส่หลังเพิงที่ใหญ่กว่านั้นเชื่อเลยจุดไม่ขีดขึ้นเพื่อจะไปต่อใส่เทียนบ้างไปต่อใส่ตะเกียงบ้างไปจุดเตาแก๊สบ้า ง, ไ ป, าางไปจุดตะเกียงเจ้าพายุบ้าง หรือไปจุดไฟในเตาบ้างเป้าหมายเพื่อจะไปจุดใส่ต่อหัวไม่ขีดก็ดีไฟแชกก็ดีเมื่อไฟมันไปต่อติดกำลังเพลิงที่เราต้องการแล้วหัวไม่ขีดหรือไฟแชกก็หมดหน้าที่สวิตเหมือนกันเมื่อกดปิดอยู่ก่ากดปดิดเปิดแล้วก็พอไฟติดแล้วสวิตก็หมดหน้าที่สติก็เช่นเดียวกันเป็นตัวจุดประกาย ในการยกแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการจุดประกายให้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยการจุดประกาย it, ให้รู้สึกตัวขยายออกไปทั่วร่างกายทุกส่วนเนี่ยเรียกว่าเป็นลังเพลิงคือสัมพชัญญะคว า, า, าอรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่นมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้จุดขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้จุดไฟขึ้นเท่านั้นเองเหมือนเทียนไขมีอยู่แล้วแต่เกียงน้ำมันมีตะเกียงเชื้อเพลยุก์แล้วเตาไฟมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้จุดไม่ขีดขึ้น เมื่อใดเราถูกจุดไปคิดขึ้นหมายคว่าเราต้องใช้ลังเพลิงตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาเราสวดอาตาปีสัมปชาโนสติมาท่านขึ้นด้วยสัมปชาโนไม่ได้ขึ้นด้วยสติมาสัมปชาโนนะครับตรงนี้จําให้ดีอาจจะจําสับสนกันได้ว่าอาตาปีสติมาสัมปชาโนเป็นความคล่องปากแต่หลักการแล้วก็อาตาปีสัมปชาโนสติมาคือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ก็มีสตินั่นหมายความว่าเรามีเตาไฟมีเตาแก๊สมีแต่เกียรน้ํามันมีเทียนไขไว้พร้อมแล้วเราถึงจุดไม่ขีดขึ้นถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เตรียมพร้อมเราไม่รู้ว่าจุดไม่ขีดขึ้นมาเล่นทําไมเสียประโยชน์นะเพราะว่าจุดเรามันก็ต้องติดใส่อันอื่นพอมันติดใส่รังเพลิงอื่นปั๊บเราก็ใช้ประโยชน์ตัวสัมพยายาัชญาคือทำหน้าที่เป็นลังเพลิงของความรู้สึกตัวตั้งแต่หัวจุดเท้า มันมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดนะถ้าเกิดมาปั๊บเราก็รู้สึกตัวละแต่ว่ามันเป็นรู้สึกตัวตามสัญชตาตญาณไม่ใช่ปัญญายานจนกระทั่งเราใช้สัญชตาตญาณตัวนี้พัฒนามันเรื่อยสัญชตาตญาณชั้นต้นสัญชตาตญาณชั้นกลางสัญชตาตญาณชั้นสูงมันก็เหมือนปัญญาสัญชตาตญาณทั้งต้นก็หยาบหน่อยเหมือนคนหยาบป่าเถื่อนเนี่ย สัญชตาตญาณท่านกลางา ก, ากาา็ได้รับการศึกษามาดีได้รับการฝึกฝนมาดีหน่อยในด้านโลกสัญชตาตญาณท่านสูงก็มีการศึกษาขั้นสูงขึ้นไปและได้ฝึกสมถะบ้างสงบใจบ้างเล็กน้อยก็ยังเปลี่ยนเป็นปัญญาญาเไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเรามาฝึกฝนในแง่วิปัสสนาก็เริ่มเปลี่ยน <c oughs> สัญชตาตญาณทุกระดับยาบกลางละเอียดชั้นตามชั้นกลางสูงขึ้นมาเป็นตัวปัญญาญาณ นะครับเป็นการขัดเกลามาตามลําดับเพราะฉะนั้นะสัมปชัญญะที่มีสีความหมายเหมือนเศรประธานสีก็คือชวรม์หมายที่หนึ่งเขาเรียกว่าศาสตกะสัมปชัญญะตัวนี้ท่านจะต้องอไปบันทึกด้วยนะครับถือว่าเป็นการบ้านช่วงเช้าเนี่ยศาสตกะสัมปชัญญะมาจากว่าสะอัถะบวกกับมีศาสตกะเพราะว่าถึงพร้อมด้วยประโยชน์และอานิสงส์สิ่งที่เราต้องการ ว่าการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยประโยชน์และเป้าหมายมันคืออะไรต้องสํารวจก่อนไม่ใช่เคลื่อนไหวขยุกขยิกไปเปล่าวปล่า ป, าปี้ปลีเนี่ยอันนั้นเรียกว่าสันชัดยานแต่พอเริ่มเป็นปัญญายาณการจะเคลื่อนแต่ละทีเนี่ยต้องตั้งสติก่อนเราก็เคลื่อนไปนี่เราเริ่มเป็นปัญญายาณตรงนั้น พอเราจะเคลื่อนปั๊บบางครั้งเป็นสัญชาตติยานบางครั้งเป็นสลับกันไปก่อนแต่พอได้รับการฝึกฝนและทําความเข้าใจแล้วเราเริ่มเปลี่ยนสัญชาตติยานให้เป็นปัญญายาณได้โดยการตั้งใจทุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนไหวเหมือนคำพูดทูผมเหมือกันผมตั้งใจทุกครั้งที่จะขยับปากเคลื่อนไหวและตั้งใจทุกครั้งที่จะพูดออกมาตัวนั้นก็จะเป็นปัญญายานเพราะมันมีสติเข้าไปตามรู้การเคลื่อนไหวทุกส่วนนะครับไม่ว่ากาย ไม่ว่าวาจาและใจเมื่อสติอยู่แล้วมันก็ไปจุดเข้ากับลังเพลิงคือตัวความรู้ที่มีอยู่แล้วความรู้ขั้นต้นเรียกวความรู้สึกตัวนะความรู้ขั้นลำดับมาเรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่จะเริ่มที่เป็นปัญญาญาณเนี่ยพอจุดติดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมครับมันก็จะเป็นความรู้สึกตัวที่ ตั้งมั่นชัดเจนความรู้สึกตัวตั้งมั่นชัดเจนปั๊บมันจะขยายตัวเป็นความรู้สึกตัวรอบตัวและสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยตัวขยายออกไปเหมือนไฟนะเราขยายวงออกไปกว้างออกไปก็เพิ่มกำลังแรงเทียนห้าแรงเทียนรัศมีความสว่างขยายไปแค่ห้าเมตรสิบแรงเทียนแสงสว่างขยายไปสิบเมตรร้อยแรงเทียนแสงสว่างขยายไปร้อยเมตร ไม่ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆตอนแรกมันขยายวงแคบๆ แ, แ, แค่หนึ่งเมตรแค่นั้นเองหนึ่งแรงเทียนเพราะฉะนั้นถึงใช้นับเป็นแรงเทียนพันแรงเทียนก็ขยายความกว้างออกไปถึงพันเมตรลักษณะนี้เรียกว่าตัวสมัมผัสยะติดใสขยายเป็นความตั้งมั่นของความรู้เรียกว่าสมัมผัะเปลี่ยนเป็นสมาธิความรู้สึกตัวเนี่ยมันขยายวงไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าการ ตามรู้การกําหนดรู้ของเราเนี่ยจะมีกําลังแค่ไหนถ้าการกํารู้การกํารู้ของเราไม่มีกําลังมันก็ขยายวงแคบแคบเช่นเราทํายกมือสิบครั้งเนี่ยเราจะรู้ชัดชัดสักกี่ครั้งนะเราอาจจะเข้าไปอยู่ในความสงบอ่ามันก็มุดลงไปเหมือนกับไฟติดฐานมันเป็นฐานถูกขี้เท่าคลุมหมดอ่า ไฟอย่างนั้นก็ไม่สว่างมันก็มือดอยู่เหมือนเดิมเหมือนคนนั่งสมาธิหลับตาแล้วเข้าไปอยู่ในความมืดของความสงบมันก็ไม่เกิดความสว่างพวกนี้พวกติดสงบพวกนั้นพวกที่ไปทางสงบเป็นสมถะนี่จะไปทางอริยภูมิไม่ได้ไปแค่พรหมภูมิสูงสุดพวกนี้ก็ยังไม่สามารถจะไปเห็นจิตอย่างแท้จริงนะครับเพราะนั้นตัวสัมพ ญ, ญาสาัตกะสัม ญ, ญคือรู้เป้าหมายในการเคลื่อนไหวสก่อนว่า เราจะเคลื่อนไหวไปเพื่ออะไรแต่เนื่องจากว่ า, าอยู่กับสัญชาติญาณมานานตลอดชีวิตของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเคลื่อนไหวทุกครั้งแล้วรู้สึกตัวเนี่ยเพราะเราอยู่ถูกความเคยชินครอบงา ม, มาตลอดชีวิตการที่จะเคลื่อนไหวทุกครั้งรู้สึกตัวทุกครั้งเนี่ยนั่นมันหมายถึงว่าเป็นการปัญญายาณขั้นสูงสุดและแต่เราคอยคานวณ ว, ว่าเราเคลื่อนไหวในหนึ่งนาทีหกสิบวินาทีเนี่ย เราสามารถรู้ตัวกิวินาทีเอาแค่ใกล้ๆตรงนี้ก่อนในหกสิบวินาทีเราเคลื่อนไหวหนึ่งนาทีเรารู้แค่ยี่สิบห้าวินาทีขึ้นไปก็ถือว่าเปลี่ยนเป็นสัญชตาตญาณเป็นปัญญายาณได้บ้างแล้วให้ยี่บห้าเปอเซ็นขึ้นไปถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาตรฐานแต่ในหนึ่งนาทีหกสิบวิเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวทั้งนาทีเลยก็หมายความว่าเป็นสัญชตาตญาณล้ ว, ลวนๆปัญญายาณไม่เกิดขึ้นเลยตรงนั้น หายใจเข้าออกสิบครั้งไม่ได้รู้เลยสิบครั้งหายใจนั่นก็เป็นสัเชตยานล้ ว, ลวนๆไม่มีปัญญายาณเกิดขึ้นตรงนั้นเลยภาพตาหนึ่งนาทีสมมติหกสิบครั้งเราไม่ได้ตามรู้ในการภาพตาเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็เป็นสัเชตยานล้ ว, ลวนๆเพราะนั้นการเคลื่อนไหวที่ระหูจุเท้าเนี่ยมันมีเป็นพันๆจุดเราจะเปลี่ยนจุดเหล่านี้ให้เป็นปัญญายาได้อย่างไรอันนี้คือความละเอียดของสัมปชัญญะศาสตกาศสัมปชัญญะ ต้องรู้เป้าหมายก่อนที่จะไปสู่จุดนั้นนั้นเพราะนั้นตอนแรกที่สุดเราก็มาตั้งตันในการเป้าหมายอย่บยาบแรกคือการยกมือก่อนเพราะตั้งต้นเป้าหมายที่ลมหายใจเนี่ยมันละเอียดเกินกว่าที่สติสัมยาของเราจะไปตามทันได้นานไปสักพักหนึ่งเข้าไปสู่ความสงบเข้าไปสู่ความหลับไหลแล้วสติสัมยาก็หมดกาลังสม่ไหมหลวงตาลักลตาลักหลับไปแล้ว เพราะงะั้นต้องตั้งตัวให้ตรงหายใจลึกๆเราเปิดตากว้างๆอย่าไปนั่งงองๆเดี๋ยวมันมันสติสมญญมันอ่อนมันจะหายไปนะเพราะอีีมันอ่อนนะจากนั้นตัวศาสตรกะสัมปชัญญะคือรู้เป้าหมายว่าเราเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเนี่ยให้รู้เป้าหมายอ๋อเคลื่อนไหวเพขยับเพราะมันปวดตรงนี้อ๋อเคลื่อนไหวเพราะมันตึงตรงนี้ เคลื่อนไหวเพราะมันเคร่งรีต้องการปลดเปลืองเอาตัวไม่สบายออกดูเป้าหมายแล้วค่อยเคลื่อนไหวไปแล้วก็ปลดเปลืองความไม่สบายออกตัวนี้เริ่มเปลี่ยนความเคยชินเป็นตัวสัมพัญญ์แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงทํามากเพื่อจะทํามากไว้ก่อนในร้อยวินาทีเนี่ยหนึ่งนาทีกับสามวิในร้อยวินาทีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยน ความเคยชินได้สักกี่วินาทีเริ่มต้นไปจุดเล็กๆหน่วยเล็กๆนี้ก่อนร้อยนาทียังเยอะไปตัดมาแค่สิบวินาทีในสิบวินาทีเนี่ยเราสามารถรู้ตัวชัดๆได้สักกี่วินาทีสักหกวิเจ็ดวิขึ้นไปอีกสามวิเปลี่ยนไปโดยไม่รู้สึกตัวก็ยังดีฝ่าเพราะนั้นเห็นว่าถ้าตั้งสเกลไว้ายาวมันเยอะไปเราตามไม่ทันยากแก่การปฏิบัติขยับเข้ามาใกล้ๆ นะอย่างหายใจเข้าเนี่ยผมเคยคํานวณดูว่าหายใจเข้าเนี่ยกี่วิหายใจออกกี่วิหายใจเข้ามันมีจุดเป้าหมายที่หน้าท้องมันมีแค่ตามปกติแต่แค่สองวิหรือสามวิหายใจออกได้ถึงห้าวิหรือเจ็ดวิเพะหายใจออกมันยาวยาวไม่มีที่สิ้นสุดออกไปเรื่อยๆนะ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ดูว่าหายใจเข้าออกชุดหนึ่งมันได้ประมาณ สิบวิถึงสิบสองวิผมคำนวณถึอขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ฝึกไ ป, ไปบ่อยเข้าบ่อยเข้า e มันก็เริ่มขยายไปสู่พับตาเมื่อกันผมเคยดูว่าหนึ่งวยบางครั้งสามครั้งต่อหนึ่งนาทีบางครั้งสองครั้งบางครั้งห้าครั้งแล้วแต่อารมณ์ภายในของเราแต่ละครั้งตามรู้ไปทีละอย่างละอย่างละอย่างมันก็เรื่อขยายครับเหมือนไฟเราจุด ป, ป่าเปล่ามันขยายใบใบแต่และใบแต่และใบแต่และใบแต่และใบออกไป แล้วแต่ใบไม้จะหนานแน่นขนาดไหนนั้นเขาขยายไปแต่ถ้ามีลมช่วยมันก็ไม่ไวขึ้นนั่นหมายความว่าในขณะทำถ้ามีลมช่วยมีความมีความรักมีความศรัทธามีความเพียรที่จะทำํำตัวรู้สึกตัวก็ขยายได้ไวขึ้นเหมือนมีลมช่วยถ้าเป็นเครื่องบินเครื่องมีลมส่งอย่างนั่งเครื่องมาจากอเมริกาถึงไทยเนี่ยในช่วงกลับมันมีลมส่งเพราะมันหมุนตามโลกมันจะมาถึงไวถึงสองชั่วโมงแต่บกขาไปจากเมืองไทยไปสู่อเมริกาเนี่ยมันต้านลม มันไม่มีลมส่งมันต้านลมมันจะช้ากว่าเดิมถึงสองชั่วโมงนั่งแทนที่จะเป็นสิบชั่วโมงเปสิบสองชั่วโมงเนี่ยตอนกลับแทนที่จะเป็นสิบชั่วโมงมเป็นสิบชั่วโมงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแรงส่งนี่สําคัญทําให้มันการปฏิบัติได้เร็วขึ้นแรงส่งในที่นี้มีสองตัวคือหนึ่ความรักที่จะทำเขาเรียกว่าเป็นอิธิบาทสี่แล้วก็พยายามที่จะทําอันนี้เป็นลมส่งนะครับแต่ถ้าไม่มีแรงส่งเลยมันต้องฝืดทั้งฝืน ทั้งทุกข์ทรมานทั้งอึดอัดทั้งปฏิฆาขัดแย้งภายในอันนี้ไม่มีลมส่งเลยจะช้ามากหรือบางทีไม่ไม่ไประสบผลสําเร็จเลยนี่เรียกว่าไม่มีศาสตกายสัมปชัญญะอันที่สองทำแล้วดูว่าการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยทําด้วยความสะดวกสบายหรือเปล่าหรือทาด้วยความอึดอัดขัดเคืองทําด้วยความทุกข์ทรมานหรือทําด้วยการบีบคั้นกดดันลักษณะนี้ จะไม่เป็นสปายะเราจะไม่ได้สปะยะสายะสัมปชัญญะสปายะแปลว่าสบายรู้สึกตัวแบบสบายสบายไม่บีบไม่คั้นไม่กดไม่ตั้งใจไม่เพ่งไม่จ้องเกินไปรู้ตัวแบบสบายๆโปร่งเบาหายใจเขารู้สึกสบายบายไม่ได้ตั้งใจเกินไปนี่แล้ว่าสปรระยะสายะสัมปชัญญะต้องคำนึงถึงความโปร่ปงเบาและสบายในการรู้ตัวอันที่สาม แล้วโคจรสัมปชัญญะรู้ตัวแบบกายกับใจไปพร้อมกันหรือเปล่าโคจรไปร่วมกันไหมกายกับใจหรือนั่งอยู่ตรงนี้ใจไปทางหนึ่งนะกําลังจะรู้ตรงนี้เอามันคิดไปตรงนู้นแป๊บออกไปตรงนั้นไอไอการเคลื่อนไหวตรงนี้ไม่ได้ตามรู้กายใจกับกายไม่ได้ตามไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือต้องการให้กายกับใจโคจรไปร่วมกันตัวนี้สําคัญนะ เราเร า, เราตรวจตรวจสอบตัวเองเสมอว่าเอ๊ะเราเคลื่อนยกขาเนี่ยมีใจไปด้วยหรือเปล่าหรือมันมันยกขาโดยไม่รู้ตัวถ้ายกขาไม่รู้ตัวไปแต่กายใจไม่ได้ไปด้วยหรือไปโดยสัญชาญาณสัญชาตญมันเพียงห้าหรือสิบเปอร์ซนต์เท่านั้นของความรู้ตัวนะในร้อยเปซนตเนี่ยสัญชาญาณมันใช้แค่ห้าหรือสิบเปอร์ซ็นต์บอกว่าจะไม่มีรู้ตัวเลยไม่ได้รู้เหมือนกันแต่มันรู้แบบสัญชาญาณต้องเกินยี่สิบห้าเปอร์เซนตของการรู้ตัวขึ้นไปถือว่าเป็นปัญญาญาณได้ เพรในหนึ่งถึงยี่สเอร์ซ็นยี่สี่เปอร์เซ็นถือว่ายังเป็นกําลังของสัญชตาตญาณอยู่ถึงรู้ตัวเหมือนกันนะบางทีเราพูดคุยกันไปทําอนุนไปฟังนั้นไปรู้ตัวเหมือนกันแต่ว่ารู้ตัวอย่างละไม่เกินยี่สิบห้าอร์เซตแต่ถ้าตั้งใจรู้ขึ้นมานิดหนึ่งเกินยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนั้นคือเริ่มเปลี่ยนสัญชตาตญาณให้เป็นปัญญาญาณได้แล้วตรงนั้นเพราะนั้นต้องละเอียดมากเลยนะแล้วปฏิบัติทําในทําทำมั่วๆไปเรื่อยๆมัน มันไม่ได้อะไรบางทีปฏิบัติมาสีปียปียังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะเราทํามั่วๆไปวันๆเท่านั้นเองไม่เคยตรวจสอบว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ละอะไรก็ไม่ได้ละหลบ ก, ก็ไม่ได้ละโกรธก็ไม่ได้ละหลงก็ไม่ได้ยังหงุดหงิดปุ่นวายยังปฏิฆะขัดแย้งอย่างอื่นอัดขัดเคืองเพราะการทำมาไม่มีขบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนเพรอย่าลืมว่าคําสอนพระเจ้าจเป็นขบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมานะครับแต่คำสอนทางเวียาศาสตร์ทั้งหลายเป็นขบวนการเวียาศาสตร์ทางรูปธรรม มันจะไปกำจดกัดการกระทุกไม่ได้อันที่สี่เรียกว่าอะสัมโมหะสัมปชัญญะครับผมเร่งให้ทันเวลานะอะสัมโมหะสัมปชัญญะตรงนี้สําคัญท่านบอกว่าไปไหนให้เหลียวแน่และเหลียวหน้าและหลังวิจักเหลียวหน้าเหลียวหลังบ้างตามภาษาที่ใช้กันหมายความดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาบ้างจะทําอะไร นั้นหมายความว่าเราทําอะไรไปก็ตามต้องมีการตรวจสอบเอทิมิกีสิบผ่านมาสิบนาทีฉันตั้งใจรู้ตัวไปกี่ครั้งนะหรือฉันลืมตัวไปกี่ครั้งรู้ตัวว่าลืมตัวไปหลายครั้งอัตตั้งต้นให้มันรู้ตัวมากขึ้นนี่เรียกว่าตรวจสอบข้างหน้าและข้างหลังว่าที่ผ่านมาเราขาดสติไปเท่าไหร่สัมมัจจะาตไปเท่าไหร่อะสัมโมหะโมหะนั่นแหละ แต่อันนี้เป็นอาสามโมหะคือไม่หลงลืมในการที่จะตรวจสอบตัวเองว่ารู้สึกตัวเป็นไงเอาง่ายๆตั้งแต่ตื่นมาตีสี่หรือตีสามครึ่งที่ผมตีละครั้งเนะี่ยให้คนอื่นมาตีละครั้งตีป่องๆแล้วก็หายป่องๆหายพวท่านตื่นไม่ได้ผมต้องซัดเต็มที่เลยนะีแล้วช่วงยาวๆด้วยมันไม่ตื่นครั้งที่หนึ่งมันต้องตื่นครั้งที่สองผมตีถึงห้าครั้งสิบครั้งขึ้นไปเพื่อมันจะตื่นช่วงใดช่วงหนึ่งไนอะ้คนที่หลับลึกๆนะ แต่คนที่หลับตื่นตื่นพอดีโป้งๆแรกมันก็ตื่นแล้วบางคนตื่นก่อนด้วยซ้ําไปนะอผมตื่นมาประมาณตีสามครึ่งทุกวันนะฮะอ้าวไม่ใช่หลวงพ่อเราเคจะดียอ่าผมตั้งให้คนอื่นตีแล้วแต่ตีไม่ได้ตามเวลานั้นผมก็ต้องรู้วันตีเองหรือว่าหลวงตาลักษ์จะอาสาโอเคเอาได้แล้วได้ตัวเลยนะพรุ่งนี้หลวงตาลักษตีแต่ถ้าตีไม่ยังที่ผมบอกแล้วก็ต้องเปลี่ยนคนนะครับ ว่ใครจ ะ, ะตีได้มาตรฐานอย่างนั้นตีแต่ละชุดประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีอันนี้พยายตีป่องๆนาทีเดียวปัดก้นไปแล้วอย่างนี้ไม่เอานะครับดังนั้นจะเห็นว่าทำอะไรต้องมีกฎเกณฑ์เป้าหมายไม่ใช่ทำไปตามอารมณ์หรือตามสัญชตาตญาณว่าในรายละเอียดต้องรู้ว่าจะทำเพื่ออะไรดังนั้นลองง่ายๆนะครับตื่นมาตีสมมติ3สามครึง่งตอนนี้ประมาณหกมงเช้าเนี่ยกี่ชั่วโมงละ สชั่วโมงครึ่งนะในสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยตรวจสอบไปด้วยว่าระหว่างความรู้สึกตัวแบบสันชัตจายันกับปัญญายานันอันไหนมากกว่ากันเห็นไหมนี่คือความยากของมันแต่ถ้าเรามีการตรวจสอบบ่อยๆเอ๊ะสันตื่นมาถ้าแต่ตื่นมาฉันเริ่มตื่นอย่างไรก่อนเริ่มหายใจเริ่มพลิกซ้ายขวาเริ่มลืมตาแล้วก็เริ่มพับผ้าหรือเปิดไฟก่อนลำดับดู เปิดไฟก่อนหรือคว้าหาไฟฉายหรือคว้าไปทำอะไรก่อนลำดับจากนุ่นมาถึงปัจจุบันเนี่ย<ม>เห็นชัดเจนตลอดตรงนั้นเป็นปัญญาย า, ยาล้ ว, ลวนๆเป็นไกล้อรหันลยนนั่นแหละนะแต่ลึกไปไม่ถึงห้าปอร์เซนที่ที่ทจาได้นะใครลึกได้ละเอียดที่สุดตรงนั้นมันได้เปลี่ยนสัญชาตญาณเป็นปัญญายาได้มากที่สุดครับ โอเคที่แล้วไปไม่ว่ากันเริ่มต้นใหม่อันไหนลืมไปแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นบ่อยๆครับวิธีการแก้ไขลืมแล้วแล้วไปไม่ต้องไปเสียใจหรือไม่ต้องไปเสียดายเลยเพราะว่าความรู้สึกตัวมีมหาศาลนะความรู้สึกตัวพ้องมีไม่จํากัดแล้วแต่เราจะใช้เมื่อไหร่นะครับเหมือนกับเราบรรจุถังน้ํามันไว้ในไอตะเกียงเต็มเลยเพราะฉะนั้นคุณจะจุดเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อนั้นอะ ที่ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่แล้วเนี่ยประการสำคัญต้องมีสติเข้าไปคอยจุดบ่อยๆเพราะมันดับบ่อยๆดับด้วยอานาจของอะไรลมแห่งสัญชัตญาณไม่อขี่ลืมไฟแชกเนี่ยถ้าไปจุดในที่ทำการในลมพัดไม่ติดนะครับใช่ไหมเคยไหมจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดวิธีการทำไงครับต้องหาที่บัง อ่ยังไม่ขีดนแต่หัวชื้นก็ไม่ติดเหมือนกันนะในอากาศชื้นนี่ยิ่ติดยากเลยมุนทีขีดไปขีดมาหัวหลุดเลยวหมือนนเรื่องนี้มันมันมันเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยนแต่ว่าถ้าเราสังเกตโอ้มันเอื้อกันนะไฟแช็คเหมือนกันถ้าหากว่าแก๊สมันหมดหรือแก๊สมันบางก็ไม่ติดหรือถ้าเราหมุนผิดมันก็ไม่ติดเหมือนกันหมุนกดค่อยก็ไม่ติดเหมือนกันดังนั้นในรายละเอียดเราเนี่ยอย่าพลาดครับในการสังเกตมันเป็นสิ่งเล็กๆ็น้อยน้อย พยะธพยาทาัสสาวีสมาธายะมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เล็กน้อยใช่ไห ม, ใ, ไหมในที่เราสวดในอะไรนะในสวดในสูตรว่าโดยปฏิโมกสังวรนะใช่ไมปฏิโมกสังวรลาน เราทั้งหลายจะมีปกติเห็นภายในโทษละทั้งหลายแม่เล็กน้อยสมทานฉุสาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายที่เราสวดเราสวดทุกครั้งแต่ว่าไม่เคยเอามาใช้เลยนะสวดผ่านไว้แล้ว น, นั่นเองนะแต่ไม่เคยนำมาพิจารณาเลยแต่ผมเป็นนักบาลีก็ผมจะต้องพิจารณาทุกขั้นตอนนั้นหมายความว่าไงตีให้แตกครับแล้วเอามาใช้ตี่บทให้แตกอัะนั้นเองก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายทบทวนอีกทีเนี่ยครับสมัมปัญญะสี่มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนี่น็อ จำได้แน่นอนเอา้าไม่ได้ผิดตัวเรางั้ยนะในหนึ่งสาตกะสัมมยะในหนึ่งผ่านบริมานะสาตกะสัมมยะหมายถึงก่อนที่จะขยับขย่อนเคลื่อนไปแต่ละครั้งมีเป้าหมายแน่นอนว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมเหลวซ้ายแายขวากลมเงยหายใจเข้าออกภาพตาอ้าปากนะ เวลาไปพูดกันแต่ละครั้งที่แยกผู้ชายมาปฏิบัติเอ็กซ์เซซาที่ดี่กับพระเพรอะไรเพราะไปทํากับผู้หญิงแล้วเสียงดังทุกทีนะไม่รู้ว่าไงผู้หญิงกับผู้ชายใกล้กันแล้วเกิดเสียงดังขึ้นทุกครั้งทุกอย่างต้องสังเกตให้ละเอียดว่าอะไรเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขตามเหตุปัจจัยตอนนั้นเองเราพยายามนะพยายามให้ดูรอบๆตัวนี้ตัว ศาตกะสัมพยะถูกต้องแล้วก็คือมันจะต้องเกิดความผ่อนคลายคือตัวสัปปายะผ่อนคลายสบายปลอดโปร่งหายใจได้ลึกอ่วงไหนรู้สึกอึดอัดขัดเคืองดูกายดูใจว่าชัดไ้ยอะไรั้มมาแก้ไขที่กายกันจิตของเราที่มันมีปัญหาเนี่ยพอเราไม่ได้ดูกายเนะครับผมเมื่อก่อนผมก็ว่าเหตุของทุกข์มันต้องมาจากจิตแต่ดูไปดูมาลึกๆแล้วมันมาจากกายครับ พรอเราไม่มีกายจิตมันก็จะทําไม่มีข้อมูลเลยจิตที่มันรวบรวมข้อมูลการกระทบมาทั้งห้าทางนะตาหูจมูกลิ้นกายอ่ะมันจึงอาไปรวมเป็นจิตดูเหมือนว่าจิตมันทำงานเยอะกว่าเพื่นก็เยอะทีเพราะข้อมูลมันสั่งสมมาแต่กายกระทบตาตากระทบเนี่ยเคยตามรู้ทันไหมเสียงกระทบหูนี่เคยตามรู้ทันไหมไม่ทันนะครับส่วนใหญ่ไอ้สิ่งที่มากระทบกายเท่านั้นเลยจะรู้ทันเย็นจัดร้อนจัดหนาวจัดนั่งแล้วมันหนักมันหน่วงอ แม้แต่หายใจเนี่ยมันก็ชินนะครับมันเข้าออกตลอดเวลาเราก็ไม่เคยรู้มันเท่าไหร่มีสักกี่ครั้งวันหนึ่งที่เรารู้หายใจลึกๆได้ก็ตอนเหมา อ, อกกําลังกายเท่านั้นแหละพอออกจากที่นี่ก็ลืมละเพราะฉะนั้นอันนี้คือความยากของการปฏิบัตินะว่าเราอยู่ความลืมหลงมาตลอดชีวิตออันนี้คือศาติกะสัญญารู้เป้าหมายการเคลื่อนไหวอันที่สองอะไรในนอดได้ไหม สปายะสัมปชัญญะรู้ให้สบาย <c oughs> อย่ารู้มันอื่นอัดขัดเครื่องหรือขัดข้องหนักนวงเวลารู้สึกหนักนวงเวลาทับแล้วก็ปวดเพลิงใช่ไหมถ้าจะนั่งแช่อยู่ตรงนั้นเป็นไงเป็นสบายไหม <c oughs> ไม่สบายไม่เป็นสปายะละต้องปรับต้องแก้ให้มันเลือดลมได้ผ่านตามกฎของใจรักณร่างกายเนี้ต้องแก้ด้วยกฎของไตรักต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอยู่เรื่อยๆ แต่กฎไตรลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นกฎไตรสิกขาได้ต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วจะเปลี่ยนไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิกขาเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจึงทําสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทุกองค์สม่ําเสมอและเยอะแต่ทําให้ถูกต้องสติก็ต้องให้ถูกต้องสัมปชัญญะให้ถูกต้องสัมปชัญญะถูกต้องก็คือต้องครบสี่หนึ่งต้องรู้เป้าหมายของการเคลื่อนไหวทุกส่วนสองเคลื่อนไหวแบบปลอดโปร่งเบาสบาย สามกายกับใจเป็นไงไปด้วยกันโคจรสัมพัญญะสีตรวจสอบว่าสามข้อข้างต้นเนี่ยทำงานร่วมกันไหมเวลาเอ๊ะเม่กี้ตอนต้นชั่วโมงนี่หลวงพ่อพูดเรื่องอะไรมาถึงนี่มันถึงไหนนะลําดับมาตลอดเลยโอ้พูดถึงเรื่องนเห็นปั๊บเลยอันนี้พูดมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่รู้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรไม่เข้าหูเลยอันนี้ก็ยิ่งไม่ไม่มีสัมพัญญะเลยนะครับ แล้วไม่ต้องพูดถึงตัวสติไม่ต้องพูดตัวสมาธิและปัญญาหรือญาณวิปสัสนาญาณต่างๆนจะไปไม่ได้เพราะต้นมันเริ่มผิดแล้วอะนะถึงมันจะยากยังไงต้องพยายามนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรยากกว่าการดับทุกข์ดับกิเลสมันยากเพราะมันมีรายละเอียดแต่รายละเอียดเหล่านี้มันไม่ได้ยากเกินกว่าสติปัญญาของเราถ้าเรามีความพยายาม นะมีสองตัวที่เป็นตัวกำหนดคือตัวรักและตัวพยายามกรับรักที่จะทำและพยายามที่จะทำทำได้หมดทุกคนแต่ถ้าหาความรักและความพยายามไม่เพียงพอนะครับคุณจะเก่งขนาดไหนก็ทำไม่ได้บุญบา ร, รมีวิสนาบา ร, รมีสังสมามากเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าสองตัวนี้เป็นตัวเหตุปัจจุบันที่ความรักตัวนั้นสติปัญสีประ <c oughs> ออ ก, กอบด้วย ส, ญญสัมมัญยสี แต่ในโคที่ปัจขียธรรมท่านไม่ได้ผนวกสัมปชัญญะสีเข้ามาถือว่ามันเป็นอันเดียวกับสติปัฏฐานสีถ้าปฏิบัติสติปัฏฐานสีได้ถูกต้องแล้วต้องมีสัมปชัญญะท่านที่เอาสติปัฏฐานสีและตามมาด้วยสัมมปทานสีคือความเพียรแต่ความเพียรตรงนั้นท่านจึงไม่ได้บวกคําว่าศรัทธ า, าคาเรียเพราะศรัทธาและความเพียรเป็นเรื่องเดียวกันเพราะคุณมีศรัทธาคุณก็ต้องมีความเพียรคุณมีความเพียรแสดง ว, ว่าคุณมีศรัทธา ท่านก็เลยสติประธานสีท่านเลยไปเอาสัมมประธานสีสัมมประธานสี่คือความเพียร น, นะเพียรอย่างไรถึงจะถูกนะแต่พอมาในตัวเรื่องศรัทธาท่านมางไว้ที่หลังครับได้แก่อิทธิบาสีเป็นเรื่องของศรัทธาเอาความเพียรมาก่อนแต่เอาความรักมาไปไว้ที่หลังเพราะว่าตัวสัมมาปธานสีมันก่อให้เกิดปัญญาสัมมประธานสีคือเราต้องระวังความเผลอที่จะเกิดขึ้น ระวังความเพลินที่จะขึ้นขึ้นเพราะความเผลอและความเพลินเป็นผลพวงมาจากสังข์ชัตญานถ้าได้สติสัมปชัญญะแล้วเผลอและเพ ล, ล, ลินจะไม่เกิดแต่มเมื่อเผลอเพลินเกิดขึ้นมาให้รู้ว่าเออสติสัมปชญะเราไม่สมบูรณ์แล้วนะต้องกลับมาแก้ตรงนี้อีกอาการกลับระวังไม่ให้เกิดเนี่ยระวังเผลอเพลินไม่เกิดเรียกว่าตัวสังวรอตัวสังวรระวังเรียกว่าสังวรประทาน สองเผลอและเพลินมาละเอียดละเอียดเกินกว่าที่เราจะตามมันได้ทุกครั้งแต่รู้ว่ามันเกิดแล้วต้องตัดทันที mm hmm. เรียกว่าประหารรู้ว่าเผลอเกิดเพลินเกิดจัดการออกทันทีเรียกว่าประหารและประทานสามเราเป็นรอแต่เผลอแต่เพลินอย่างเดียวมันไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ทันเพราะมันเป็นผลแต่เราไปดูที่เหตุทั้งหมนว่าเราแช่ในความสบายไหมเมื่อสบายเราแช่ไหมเมื่อรู้สึกไม่สบายเราไปกดไปข่มหรือไปแช่มันไหม ตรงนั้นเปน ต, รตรงนั้นต่างหากที่เราต้องต้องพยายามเข้าไปาปรับอยู่เสมอไอ้การไปปรับความสบายไม่สบายกายอยู่เสมอนี่เรียกว่าเป็นภาวนาประทานนะอันที่สี่เมื่อปรับอยู่เสมอแล้วก็คอยเฝ้าดูแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆปรับให้ทั่วกายเลย ปรับลมหายใจปรับการพารับตาปากการอิเดียบท่างๆอิเยบทใหญ่อิเยบท่ย่อยปรับไปอย่างรู้เนือ้อรู้ตัวตรงนั้นเรียกว่าอนุรักษณาประทานนี่คือความเพียรที่ถูกต้องต้องประกอบด้วยสี่ประการหนึ่งระวังความเผลอและความเพลินที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัวระวังอย่ายให้มันเกิดสองเมื่อมันเกิดแล้วต้องแก้ไขปรับให้รู้สึกตัวทันที สามพยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวให้มีกำลังอยู่เสมออย่าให้มันอ่อนลงไปสี่เมื่อมันเข้มแข็งแล้วก็ประคองไว้นานๆหน่อยหนึ่งน่ะนี้เรียกว่าเพียนอนหนึ่งถูกต้องเมื่อเพื่อนอย่างถูกต้องแล้วมันเกิดปัญญาโอ้ทำแล้วรู้สึกมันเบามันสบายมันโลกมันโปร่งมันรู้อะไรละเอยียดได้ลึกปัญญาเกิดแล้วครับพอปัญญาเกิดแล้วเกิดฉันทะในการที่จะทาบ่อยๆทาหนึ่งๆไม่เบือ่อไม่ขี้เกียจ ไม่ตุกติกไม่มีข้ออ้างใดๆไม่มีเงื่อนไขใดๆพยายามทำเอาใจใส่ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะไวขึ้นแนหะสติประทานสี่ตามมาด้วยสั ม, มประธานสี่ตามไปด้วยอิทธิบาทสีนะ่แล้วมันก็จะไหลไปสู่พุทโรง 7, เจ็อแลองค์แปดโดยธรรมชาติของมันเองแต่ขอให้ทำสองสามตัวนี้ให้ชัดง่ายๆคือมีความรักที่จะทาอยาก ความเพียรที่จะทำและทำอย่างรู้ดื้อรู้ตัวและทาอย่างต่อเนื่องและทำให้สบายและตรวจสอบการกระทำท่านนั่นเองนะโดยสรุปนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออไม่น่าจะยากแล้วก็ทํามาแล้วโดวยหลายปีแต่ว่าเราก็สงสัยตัวเองว่าเออเราทามาตั้งนานทำไมเรายังขัดเคืองอยู่บางครั้ง ทำไมเรายังหงุดหงิดอยู่ในบางคราวทาไมเราเผลอคิดยาวอยู่ในบางเรื่องเวลาเพื่อนพูดอะไรทําไม่ถูกหูดูไม่ถูกตาทําไมเรายังไม่พอใจอยู่มันจะต้องมาตรวจสอบความก้าวหน้าตรงนี้แต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นนะบางครั้งก็เพื่อนจะพูดอะไรก็เฉยเฉยได้ใครจะทำอะไรผิดหูผิดตาก็เฉยเฉยได้อหรือมีเหตุอะไรให้ต้องเจ็บต้องปวดก็ไม่วิตกกังวล จิตก็รู้ทันได้บางครั้งก็เป็นอย่างนั้นบางครั้งก็ไม่เป็นนะทีนี้เราก็จะดูอายุของการรู้ตัวเท่าทันเนี่ยยาวขึ้นไหมบ่อยเกิดบ่อยขึ้นเมื่อก่อนกระทบในทางที่ไม่ไดีปั๊บเกิดการหงุดหงิดแต่เดี๋ยวนี้การเข้าที่มดีปั๊บเกิดการรู้ทันตัวนี้จะเป็นตัววัดผลนะครับตัววัดผลือการรู้เท่าทันแล้วก็พยายามปรับ ตัวรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยให้ชัดเจนอย่างอย่างรู้เป้าหมายแต่ถ้าหากว่าเราปรับแบบอยากให้มันชัดนะเลยพวกอคลองความอยากเนี่ยให้ไปนานๆลักษณะนี้เรียกว่าผิดนะอย่าทําด้วยความอยากแต่ทําด้วยความเข้าใจมันเสมือนอยากนะคําว่าศรัทธาและตัณหาเนี่ยคล้ายๆกันศรัทธาต้องทําด้วยปัญญา ถึงจะเป็นตัวสรัทธาที่ถูกต้องแต่เมื่อใดศรัทธานั้นถ้าทําไม่ถูกต้องศรัทธาเปลี่ยนเป็นตันหาทันทีนะอ่ามันเป็นตัวอย่างเหมือนกันศรัทธาก็เป็นตัวอยา่างตันหาก็เป็นตัวอยา่างแต่ตัวที่จะมากําหนดศรัทธาได้ถูกหรือผิดอยู่ที่ปัญญาที่ปัญญาได้จากไหนได้จากสัมมาประธานสีที่กล่าวมาเบื้องต้นก็คือหนึ่งระมัดระวังในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่จะทําให้หลงหลืมได้ง่ายระมัดระวังไม่ให้เกิดเผลอและเพลิน สเมือม่อเรามาระวังเต็มที่แล้วมันก็ยังเผลอยังเพลินอยู่จัดการออกทันทีอหาสาเหตุแต่การทันทีสามพยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ชัดเจนและก็ต่อเนื่องไว้เสมอสี่เมื่อมันต่อเนื่องแล้วลองรักษาให้ยาวที่สุดได้ไหมได้สักเท่าไหร่แต่ถ้ามันเกิดเป็นการเกร็งเครียดตึงแสดงว่าผิดแล้วนั้นทําด้วยความอยากแล้วแต่ถ้ามันยังเบาสบายปลอดโปร่งสงบอยู่แสดงว่ามันถูกละ นั้นศรัทธาประกอบด้วยปัญญามันจะออกมาเป็นความร่วงปร่งเบาสบายและมีความสุขนะครับแต่ว่าศรัทธาที่ไหนออกมาด้วยความตึงเครียดกดเกรงเพง่งจ้องหนักเนื้อหนั ก, นกตัวหนักหัวหนักใจนี่แสดงว่าศรัทธาได้เปลี่ยนเป็นตัณหาเรียบร้อยแล้วก็กลับไปตรวจสอบเบื้องต้นครับกลับไปตรวจสอบที่สั ม, มประทานกลับไปตรวจสอบที่สัมปัญญะใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตรวจสอบเรื่องาอาสัมโมหสมมะสมปัญญา อันนี้คือตัวบทศึกษาวันนี้นะครับการบ้านวันนี้เราได้เข้าใจแค่ไหนเดี๋ยวก็เอาไปทำบันทึกพอหนังสือสมุดพกนั้นแจกไปแล้วแต่คนไหนไม่เก่งในการที่จะบันทึกก็ได้นะครับตอนเย็นมารายงานปากกเปาสมมุติว่าใครรู้สึกเขียนไม่ได้เลยเมื่อาวานนะเออนั่นแหละอนุ ญ, ญาตให้ไม่ต้องเขียนนะครับแต่ตอนเย็นต้องมารายงาน ป, ากปลกเป สหนาทีหรืสิบนาทีเท่าที่เขียนได้แต่รายงานเปล่าๆนาทีสองนาทีก็ไม่ได้นะแค่สองสมาธิก็ไม่รู้เรื่องอีกเนะี่ยก็รายงานเปล่าๆอันนี้ให้โอกาสแกคนที่ไม่อยากเขียนหรือเขียนไม่เป็นใช้วิธีพูดก็ได้ครับมีทางออกแล้วผมพูดเออผมเขียนไม่ได้ครับผมพูดเาดีกว่าไ อ, อ้ผมก็พูดไม่ได้เลยผมจะทําทไงต้องตามหาหลวงพ่อมาคุยกันหน่อยว่า นั่งคุยกับหลวงพ่อหน่อยว่ า, เ, าเข้าใจไหมเออนั่งคุยกับหลวงพ่อคุณเข้าใจเนี่ยคุณไม่ต้องเขียนแล้วคุณไม่ต้องรายงานเลยแบบนี้ก็มีทางออกอีกครับเราให้กันทางเลือกหลายๆทางเพราะสติปัญญาคนไม่เท่ากันความขยันหมั่นเพียรของคุณไม่เท่ากันแต่เรามีทางเลือกให้หนึ่งถ้าเขียนได้ให้เขียนสองถ้าเขียนไม่ได้รายงานปล่าเปล่าสามรายงานป่าเปลก็ไม่เป็นมาคุยกันไหนะนั่งคุยกันเอา โอเคนะครับมีมีสามทางเลือกน ะ, ะแต่ถ้าหากว่าไม่เอาสักอย่างแสดงว่าคุณย้ายค่าได้เลยไม่กลัคุณไม่มีศรัทธากับเรื่องนี้นะครับอามาอยู่ก็เสียเวลานะครับเสียเวลาแล้วก็ไปทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้แล้วต้องต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ครับเพื่อประโยชน์ของเราไม่ใช่ประโยชน์ของผมเพราะผมมานี้ผมต้องรับผิดชอบ ว, ว่าท่านมาเสียเวลาของผมไม่ได้มาแล้วต้องได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะวันวันหนึ่งผ่านไปทุกนาทีมันมี ค่าและความหมายมากแต่ถ้าหากว่ามันผ่านไปโดยที่ไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเสียดายเวลานะครับแต่ถ้าคุยกับผมแล้วรู้สึกเออท่านนี้ภูมิทําไปไกลไม่ต้องไปยุ่งกับท่านเลยผมเคยใช้นิมนท่านไว้สอนแทนในบางครั้งถ้าผมไม่อยู่นะครับเังนั้นแสดงว่าภูมิทําไปไกลก็เช่วยกันได้นะครับเราก็พัฒนากันไปตามลาดับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าคนไหนมีเพื่อนที่ภูมิทําภูมิปญาไปไกลกว่าเราเราก็ต้องอนุมทนาสนำสนุนส่งเสริมให้ท่านได้ทํางานเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมสัทั้งหลายเพราะเราขาดบุคลากรเช่นนั้นอย่างมากมายนะครับนั้นเราก็ช่วยกันพัฒนาแต่ละหน้าไปก็ขอเวลาแค่นี้นะครับก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายบางสิ่งบางอย่างที่ผมพูดไป ผิดพลาดด้วยบกคล้องไปกระทบในทางที่จิตของท่านทำให้เกิดอหุนก็ขออาภัยด้วยเพราะเวลาเราจำกัดจำเป็นต้องเร็วนะครับก็ขอให้ความตั้งใจเอาไปศึกษาและปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสติปัญญาขั้นสูงสุดด้วยการทุกคนดูท่านเทนิดกรบพาพร้อมกันครับ